จะให้อวาตธรรมเอาไว้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าคือความมักน้อยความสันโดษคําว่ามักน้อยมีมากเท่าไรก็ยินดีแต่น้อยเท่านั้นสันโดษรองลงมายินดีเฉพาะสิ่งที่เกิดที่มีไม่เสาะไม่แสวงไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่เกิดไม่มีชอบวิเวกสงัดให้พลุ่งพ่านวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่เกิดไม่มี ชอบวิเวกสงัดไม่พลุกล่านวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสแต่ชอบสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เป็นไปเพื่อการส่งเสริมอัดและทำหลวงตามหาบัวยันสัมปนโนได้เล่าชีวประวัติของท่าน ในตอนที่ท่านออกมาช่วยชาติท่านได้เล่าถึงเรื่องคลังหลวงเอาไว้ว่าการคัดค้านการรวมบัญชีหุบชาติเกินเงินในคลังหลวงของรัฐบาลและต่อต้านพรบรสงฉบับชีนังตะลงุงอันมีที่มาไม่ชอบธรรมพระบรมศาสดาตรัสเอาไว้ว่าเมื่อโคนายฝูงกาลังข้ามน้ําถ้าโคนายฝูงนาดีโคทั้งหลายก็จะปลอดภัย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 เหลิงตาทันย้ำว่าหัวหน้าเป็นสําคัญมากหัวหน้าสัตว์หัวหน้าคนหัวหน้าฝูงความพึ่งเป็นพึ่งตายความฟื้นฟูความล่มจมอยู่กับหัวหน้าเป็นผู้พาดําเนินถ้าดําเนินผิดพลาดก็จมได้เลยหัวหน้าจมเพียงคนเดียวบริษัทบริวารจมไปได้วยกันหมดหัวหน้าพาขึ้นโผล่ขึ้นเพียงคนเดียวบริษัทบริวารขึ้นได้หมดทุกทางกาย แจกโดวยวัตถุเงินทองอยู่ยาอาหารทุกทางใจแจกด้วยพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าลุงตาได้นำธรรมที่รู้เห็นออกมาเมตตาเทศนาดับทุกทางกายและทางใจไปพร้อมกันธรรมนั้นเป็นเหมือนน้ำดับไฟดับไฟในใจที่กำลังเร่าร้อนของประชาชนทั้งประเทศท่านสอนให้ทุกๆกคนรู้จักดับทุกแห่งตน ด้วยวิถีทางแห่งธรรมหลวงตาท่านได้อุปมาในเรื่องนี้เป็นภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายว่าเหมือนหนามที่ทิ่มแทงที่เท้าควรจะรีบบงวนน้ำออกเสียเร็วไวไม่ควรไปถามหาตระกูลหนามหรือหาต้นตอห น, นามว่าหนามนี้มาจากต้นไม้ใดพระบรมศ า, าสาตร์สดาตรัสว่าสังสารวัฏนี้โรงอยู่ด้วยเพลิงทุกนานาประการโหม่ไหม ให้ร้อนอยู่ทั่วสัตว์ทั้งหลายดินทรวนทุรายอยู่ในกองทุกแห่งสังสารวัฏนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ดับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดับทุกแห่งตนหลวงตามหาบูญญสัมปันโนท่านได้เล่าว่าคำว่าคลังหลวงเป็นศัพท์ที่หลวงตาใช้เรียกขึ้นมาเองตามความเข้าใจ จนต้องทำให้สานุสิทธิ์ไปคน้นคำว่าคลังหลวงและไปค้นหาต้นตอสินทรัพย์ที่อยู่ในคลังหลวงว่ามีความเป็นมาอย่างไรจนถึงขั้นอัศจรรย์ใจถึงความรู้พิเศษที่ท่านสามารถทราบได้หลวงตามหาบู ญ, ญณสัมปโนองค์ท่านได้กล่าวที่สวนแสงธรรม ถึงเรื่องพรบรสงฆ์และองค์ท่านจะเป็นผู้ออกสนามในเรื่องนี้เองเอาไว้ว่าได้ทราบข่าวว่าจะมาตั้งราชบัญญัติปกครองพระปกครองศาสนาอีกหลวงตาบัวรักศาสนาอยู่เต็มเหนียวนี้ยังเกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองซึ่งไม่ใช่เรื่องของศาสนาเลยเรายังอุตส่าห์ออกไปช่วยเหลือเต็มกำลังมีน้ำซ้ำยังจะมาโจมตีศาสนาอีกให้เป็นมู่เป็นคู่ไปด้วยกันคราวนี้คราวจะยิ่งใหญ่ที่สุด โลกชาติคือเมืองไทยเราจะถล่มคราวนี้หลวงตาบัวจะออกสนามเองบอกอย่างนี้เลยให้ถอยไม่มีถอยอะไรที่จะมาทำรลายนี้ทำไม่ได้เรารักษาสุดหัวใจเราแล้วรักษาธทมนี้นะยังจะมาทำลายเหรอโผลอค์มาจากมุกจากพูดจะมาตั้งพระราชบัญญัติปกครองทองคาทั้งแท่งมีอย่างเหรอนักโทรมาปกครองคนดีทั้งประเทศมีอย่างไหมพระสงค์ ถ้ามีความเสียหายตรงไหนยิ่งต้องมาตั้งพระชบัญญัติปกครองท่านท่านเสียหายที่ตรงไหนถ้าจะควบคุมนี้ไปควบคุมพวกวงราชการที่มาสกปรกโสมมมันนั่นสิก่อนที่จะมาทําราชการงานเมืองมีเงินกี่บาทเอามาตั้งเป็นราชการแล้วมีเงินกี่บาทเวลาเกษียณอายุไปแล้วมีเงินกี่บาทไปตรวจตราเหล่านั้นเสียก่อนพุิไหนมันมีแต่พุงขี้ทั้งนั้น ภูงศาส์สะอานมีอยู่ที่ไหนและจะมาปกครองพระจะมาช้างพระมาบีบบังคับพระได้ยังไงพระท่านไม่มีความผิดท่านมีหลักธรรมหลักวินัยหลักใจที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าหลวงตามหาบัวยาณสัมปโนโดได้กล่าวในเรื่องนี้ต่อไปอีกว่า เมื่อวันที่21 เ, เมษายนพศ2545เวลาบายโมงตรงคณะสงฆ์ทั้งสองนิกายร่วมสังฆสัมมคีที่วัดอโศการามตำบลไทยบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะทางภาคอีสานสายพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือลุงตามหาบัวยานสัมปันโนจะมีมนกว่า 7,500 รูป เดินทางโดยรถโดยสารกว่าหนึ่งอคันมาร่วมประชุมเพื่อโจ์อธิกรณ์และประกาศลงนนขหากรรมผู้ที่เสนอร่างพรบคณะสงฆ์ฉบับใหม่อันมีที่มาไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยพรบคณะสงฆ์ซึ่งแต่ละมาตราทำความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาจนถึงขั้นสร้างความแตกแยกในคณะสงฆ์และพุทธบริษัทขอให้ประชุมโปรดพิจารณาว่า การกระทำเช่นนั้นขัดหรือผิดต่อพระธรรมวินัยหรือไม่อย่างไรและดำเนินการให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยที่ประชุมมีมติเกี่ยวอธิกรณ์อันเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยโดยถือหลักพระพุทธพจน์ที่ตรัส ก, กับพระอานุนว่าโยโวอานันทะมยาธมโมเจวินโยเดซิโตปั ญ, ญโตโสโวมมะเจเยนะสัตถาดูก่อนอนุน รำและวินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจะเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราทำและวินัยนั้นแหลย่อมเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายต่อมาในวันที่22มกราคมปีพศ2546เวลาบายโมง30นาทีณวิหารสุทธิธรรมรังสีวัดอโศการามพระสงฆ์ทั้งฝ่ายธรรมยุทธและมานิกาย ร่วมสังคสมทธีเป็นครั้งที่สองส่วนใหญ่เป็นพระสายวิปสนาหรือพระป่าประมาณหนึ่งมื่นกว่ารูปนำโดยหลวงตามหาบูญญสัมปโนจเจ้าวาดวัดป่าบันตาด จ, จังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับร่างพรบสงฆ์ที่จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วนี้โดยในการประชุมได้ชี้แจงเกี่วยวกับเหตุผลในการคัดค้านพรบสงฆ์ให้รัฐบาลยกเลิก การพิจารณาใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับพรบรสงฆ์ที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นพรบรที่เป็นโมฆะเนื่องจากมีเนื้อหาสืบทอดเจตนารมณ์ของกลุ่มผลิตการที่ไม่หวังดีต่อชาติและพระพุทธศาสนาสนับสนุนการริดรอนพระชำนาจของพระมหากษัตริย์ยึดพระชำนาจของสมเด็จพระสังฆราชขัดต่อการีตประเพณีของคณะสงฆ์ขัดต่อพระธรรมบิัย ฝ่าฝืนและขัดต่อพระพุทธเจตนารมณ์และหากานาร่างพรบรสงฆ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะให้มีผลบังคับใช้โดยไม่รับฟังมติคณะสงฆ์ไทยที่ประชุมมีมติหประเด็นคือหนึ่งประการแรกขอให้ยกเลิกการพิจารณาร่างพรบคณะสงฆ์ไม่ว่าวิธีใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นร่างที่โมฆะขัดต่อพระธรรมวินัยเป็นผจการ ไม่วางดีต่อชาติริตรอนพระชำนาจของพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระสังฆราช 2. หากกระทาขัดต่อข้อหนึ่งโดยเสนอให้รัฐสภาพิจารณาตราเป็นกฎหมายโดยไม่ฟังมติคณะสงฆ์ไทยที่ประชุมคณะสงฆ์ไทยจัดสละชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมวินัย 3. ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการตรากฎหมายขึ้นมาปกครองคณะสงฆ์เพราะวิถีชีวิตของพระ มีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญอยู่แล้ว 4. ผลักดันให้มีการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนร่างพรบคณะสงฆ์และเคลื่อนไหวกำจัดหลวงตามหาบวัวให้ถึงที่สุด 5. ให้ตัวแทนคณะสงฆ์นำมติที่ประชุมไปดำเนินการโดยนำกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชนายกรัฐมนตรีทราบและปฏิบัติตามมาตินี้ที่ประชุมมีมติจะสละชีวิต เพื่อรักษาพระธรรมวินัยโดยที่ประชุมได้เปล่งเสียงสัตุการตอบรับสามครั้งพร้อมกันนั้นพระสงฆ์และประชาชนที่มาร่วมประชุมได้ร่วมลงชื่อเป็นจํานวนมากนอกจากนั้นยังมีการนํารายชื่อพระสงฆ์และประชาชนที่คัดค้านพระบอคณะสงฆ์จำนวนหนึ่งล้านสามหนเจ็ดพัรายชื่อมาแสดงหลวงตามหาบัวยนัสสัมปันโนได้กล่าวในตอนท้ายการประชุมว่าวันนี้ เป็นมงคลที่พระสงค์มาร่วมชุมนุมกันทำในสิ่งที่ดีงามเรายอมชีวิตของเราบูชาพระพุทธศาสนาประกอบทั้งชาติบ้านเมืองทั้งหมดเนื้อหาในพรบสงฆ์ทุกอย่างเข้ากับพระธรรมวินัยไม่ได้เลยเป็นมหาภัยต่อชาติศาสนาล้วนเรายอมไม่ได้จะยอมสละชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมวินัยเราก็ได้เห็นกาลังใจของพระที่มีต่อพระพุทธศาสนานะ ไมเด็ดปหาบังคับบัญชาอะไรเป็นไปตามอัธยาศัยของท่านท่านก็บอกกล่าวกันไปตามธรรมดามาเต็มหมดทุกภาคตะวันออกอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็มีเรียกว่าหมดทุกภาคฉะนั้นถึงต้องเทศให้ฟังเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานนับว่าเป็นประวัติการของพระกรรมฐานที่มีจำนวนมากประยัดก็มีเพียงเล็กน้อยไม่มากนะ ทั้งทงที่ประยัดก็เต็มประเทศไทยเวลาออกมาแสดงน้ำใจต่อพระพุทธศาสนาและประชาชนเรานี้เลยกลับเป็นพระกรรมฐานออกแนวหน้าทั้งหมดเลยนี่มันก็แปลกอยู่นะมันอดคิดไม่ได้นะอะไรๆมีอะไ ร, ะไ ร, ะไรปับ๊บมันจะคิดทันทีเห็นพระเต็มวัดพิลึกจริงๆนะมองไปทางไหนนี่พระเต็มแน่นไปนหมดเลยพระเป็นหมือนขึ้นไปรถมากหาที่จอดไม่ได้มีทุกประเภท วัดสุกา ร, รามเป็นทะเลรถหาทางเดิมไม่ได้พระพุทธเจ้าถือสําคัญมากเรื่องรวมความสามคัคคีความสนวนส่วนใหญ่เช่นอย่างกิจของสงฆ์งานของสงฆ์ถือเป็นความสําคัญมากมีวิเลยบังคับเลยเช่นสมบัติของสงฆ์นี้ของสงประเภทไหนบ้างนั่นท่านแจงออกตามพระวินัยของสงฆ์อย่างเบาอย่างหนักเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ท่านบอก เครื่อนที่ได้เราก็รู้กันแล้วพวกเตียงพวกตังพวกอะไรสมบัติที่ยกไปมาได้เป็นของสงอันที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นเขาถวายที่เป็นวัดเป็นวากรลปนาสงเป็นอสังหารีมาเคลื่อนที่ไม่ได้ท่านให้มีวินัยรักษาไว้ตามนั้นตามนั้นท่านบอกไว้หมดละเอียดละอ่อไม่มีบกพร่องพระวินัยพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยการปุกครองสงก็เหมือนกันเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส จเจ้าอาวาสที่จะปกครองด้วยความเป็นธรรมแล้วสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในท่ามกลางของวัดหรือสถานที่ที่วัดตั้งอยู่นั้นหัวหน้าเป็นผู้จัดแจงจับทำให้สม่ำเสมอนั่นพระวินัยท่านสมบูรณ์แบบทีนี้พวกเปรตพวกผีมันเอาค่าศัตรูมาเหยียบย่มหัวพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราถึงได้ยันยันกับเราละสิคาว่าเราก็คือพระสงฆ์ทั่วประเทศทั่วประเทศไทย มาขอร้องให้เราเป็นหัวหน้าเพื่อจะต้านทานรักษาสมบัติอนันมีคุณค่าคือหลักศาสนาไว้ด้วยดีตามเดิมจะไม่ให้ใครมาแตะมาต้อง